วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากวันนี้เป็นวันเข้าปุริมะพรรษาคือวันเข้าพรรษาแรกซึ่งมาบรรจบกับวันเสาร์ที่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีกิจกรรมประจำสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ถึงมีการนัดหมายกันวามาเป็นกุศลถาวายส ก, การะแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชสกฎลมหาสังฆปรินายกและเป็นการบูชาบุคคลผู้ควรแก่การบูชาทำให้ประสบสิ่งที่เป็นอุดมมงคลจากการบูชาเหล่านั้นและยังมีฉันทาอุตสาหะที่จะสมาทานศีลฝังธรรมะ ปฏิบัติกรรมาฐานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนส่วนบุญส่วนกุศลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเหมาะสมแก่เทศกาลบุญเทศกาลกุศลที่มีการยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลวันข้าวพรรษานั้นตามหลักของพระวินัยกําหนดไว้เป็นสองวันเรียกว่าวันข้าวพรรษาต้นกับวันข้าวพรรษาหลัง วันข้าวพรรษาต้นเรียกบาลีว่าปุริมะพรรษาทรงกบวันแรมค่ำหึ่งเดือน8วันข้าวพรรษาหลังนั้นเรียกว่าปัชิมะพรรษาทรงกบวันแรมค่ำหึ่งเดือน9ซึ่งทิ้งช่วงห่างกันอยู่หนึ่งเดือนในการข้าวพรรษาของพระสงฆ์ตามปกติก็ใช้ทั้งสองวันองค์ใดที่สามารถข้าวพรรษาแรกทันก็ข้าวพรรษาแรก ขราพันศาแรกไม่ทันโดยเหตุจําเป็นอะไรก็ไปข้าพันศาหลังได้เพียงแต่ว่ารูปที่ค้าพรรษาหลังนั้นไม่ได้รับการการกระถินเพราะว่าวันออกพรรษาก็หมดเทศกาลกรถินพอดีแต่ที่รู้กันทั่วไปก็มาเน้นที่วันค้าพรรษาแรกควันแรมค้ามหนึ่งเดือน8ลดโดยหลักของพระวินัยแล้วก็เป็นเรื่องของวินัยกรรมเรื่องของสังกกรรม หมายความว่าเป็นพุทธบัญญัติที่เน้นย้ำไปที่ประสงค์เป็นหลักสำคัญแต่ว่าพุทธบริษัทได้ใช้เป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเทศกาลข้าพัรษาทั้งสามเดือนจึงเป็นเทศกาลค่อนข้างพิเศษในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ถึงถ้าเรามองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรวมในสังคมคือประเทศชาติแล้วเทศการข้าบัษาจะมีปัญหายากรรมลดลงระดับหนึ่งซึ่งแสดงว่าคนที่มีจิตสำนึกดีงามพอสมควรได้มีการลดละสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองและสังคมลงไป โดยการอธิษฐานรักษาศีลตลอดไตรมาสบ้างโดยการอธิษฐานลดอบายมุขที่ตนเคยเสพคุณมาบ้างทำให้ความรุนแรงต่างๆที่เป็นข่าวในสังคมได้ลดลงไปแต่ไม่ใช่ลดลงไปในระดับที่น่าพอใจปัญหาเมื่อเทียบเคียงกับสถานะความเป็นพุทธศาสนิกชนก็คงมากอยู่ เพราะถ้าหากว่าบุคคลมีความมั่นคงในหลักของศีลทั้งห้าประการที่สุงบัญญัติแสดงไว้จริงๆแล้วความรุนแรงต่างๆแม้จะมีก็จะมีอยู่เป็นส่วนน้อยเพราะนั้นโอกาสที่เรียกว่าเป็นเทศการเข้าพรรษาซึ่งมาบรรจบกันในวันเสาร์นี้จึงใครจะนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าสองประการ มาเป็นแนวในาการศึกษาพินิษพิจารณาของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในวันข้าวัรรษานั้นจะมีพิธีกรรมในตอนตน้ตนซึ่งมีเป็นพิธีกรรมปกติแต่มีหลักของวินัยกรรมประการหนึ่งที่กำหนดเอาไว้เพื่อให้พระสงค์ที่จะอยู่จำพรรษาร่วมกันในวัดเดียวกัน มีการตรวจสอบความประพฤติของตนเองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสงฆ์ที่เป็นส่วนรวมมองเห็นโทษอะไรที่เป็นความผิดพลาดปกคล้องซึ่งตนเคยประพฤติเกิดทำไปการล่วงเกินต่อพระรูปใดรูปหนึ่งหรือหลายๆรูปได้เ ก, เกิดจิตสำนึกมองเห็นความผิดว่าเป็นความผิดที่ควรแก่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำวัดต่อท่าน เป็นการขอขมาต่อท่านเพือขอให้ท่านอาภัยและก็งดโทษให้และการเหล่านี้เป็นสังเกตว่าเป็นหลักการสําคัญในทางพระพุทธศาสนาตรงกับหลักของธรรมคุณสองบทที่ว่าเอหิปัสสิโกคือเชิญชวนเชิญชวนให้มาตรวจ ด, ดูตรวจสอบตั้งในองค์ธรรมะที่ทรงสั่งสอนแสดงไว้ และมีการตรวจสอบธรรมะและกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเราโดยหลักการเหล่านี้ในอัตวะแข่งพระธรรมบทแต่ทรงแสดงไว้เป็นอันมากโดยมีพื้นฐานตั้งแต่ต้นมาว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนเพราะบุคคลแต่ละคนจะต้องมีการพิจารณาตนด้วยตนมองให้เห็นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี เส่งแน่นอนก็มีอยู่ทั้งสองอย่างเพราะคนที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวนั้นมีดีเพียงอย่างเดียวก็มีเฉพาะประหลัดเท่านั้นเนื่องจากภายในจิตใจของคนเราแต่ละคนมีการสะสมไว้ทั้งสองด้านใครสะสมด้านดีไปมากท่านก็เรียกว่ามีบารมีมากคำว่าบารมีก็คือการเก็บการสะสมสิ่งที่ดีงามเอาไว้ และสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีมา ก, กอยู่ภายในจิตใจก็เป็นธรรมะที่คุ้มครองใจรักษาใจเมื่อใจมีธรรมะอยู่ภายในคนเราจะทำอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามก็เกิดมาจากใจที่คิดก่อนก่อนจะพูดก่อนจะทาการพูดการทำด้วยใจที่มีธรรมะก็ทำให้กายวาจาใจก็เป็นสุจริตตามไปด้วย คนคนที่มีบารมีจะมีการประพฤติการกระทําที่เป็นกุศลคือกระทําไปด้วยความฉลาดสิ่งที่ท่านกระทําจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นส่วนคนที่เก็บสะสมอาสวะไว้มากกิเลสก็จะเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจ บางครั้งท่านสอนเป็นภาพที่เป็นรู ป, ปรธรรมเห็นว่าเป็นคนกิเลสหยาบปากนาะความคิดความอ่านเขาจะมีความรุนแรงเมื่อเขาคิดก่อนพูดคิดก่อนําการทำการพูดของเขาก็จะเป็นไปตามแรงของกิเลสความรุนแรงก็ออกมาทางกายทางวาจาทั้งที่ทำโดยตัวเองและใช้คนอื่นทำ ก็กลายเป็นการเบียดเบียนล้างผลาญชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่นออกมาในรูปของอัตยกรรมจนกลายเป็นศึกสงครามตัว น, นี้ที่แล้วที่จริงเป็นภาพสะท้อนของบารมีและอาสวะแต่บุคคลเราแต่ละคนนั้นไม่ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากเป็นพิเศษส่วนใหญ่แล้วก็จใกล้เคียงกัน ทำให้ภายในจิตใจของเราจึงไม่มีเฉพาะกุศลที่ต่อเนื่องหรืออ ก, กุศลที่ต่อเนื่องจ้ในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็มีความเผลอเรืลงลืมพลั้งพลาดเกิดขึ้นในช่วงในจังหวะใดจังหวะหนึ่งในขณะที่เรามีความเพียรพยายามก็มีความเกลียดคร้านเข้าไปแทรกเข้าไปบ่อนทําลายอยู่สมอในขณะที่เรามีศรัทธาก็มีความลังเลสงสยัยมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้น มันทอนตัดรอนความศรัท ธ, ธาเหล่านั้นให้อ่อนกำลังลงไปภายในจิตใจของคนเราจึงมีการชักเยื่อกันอยู่ในที่เป็นการต่อสู้ระหว่างกุศลและอกุศลแม้แต่การเจริญสมาธิเราจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างความสงบกับความไม่สงบขวัยใดขวัยหนึ่งชนะขวัยนั้นก็ยึดครองจิตใจของบุคคลไว้ได้บางครั้งเราดั้งสมาธิเป็นชั่วโมงไม่เคยสงบเลย บางครั้ ง, น, งนั่งนิดหน่อยก็เกิดความสงบแล้วตัวแสดงเหตุตั้งการต่อสู้ที่มีมาอย่างยืดเยือยาวนานได้เกินกว่าจะเอาชนะได้จริงๆก็ต่อเมื่อเป็นพระหันเทียรยุติการต่อสู้กับกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะต้องต่อสู้อีกต่อไปเพราะการตรวจสอบจึงทรงสอในให้ตรวจสอบดูทั้งสองด้าน เมื่อมองเห็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลภายในใจก็พยายามมองให้เห็นโทษที่ตนสัมผัสในขณะนั้นๆในขณะต่อๆไปและในสังสารวัฏที่ตรงใช้วนว่งเหนียวไปสู่นรกหมายความว่าท่ากิเลสยังมีความรุนแรงครอบงมจิตใจอยู่อย่างต่อเนื่องการสะสม การหมักห ม, มของกิเลสนั้นจะทำให้จิตใจตกต่ำลงไปและในสุดก็จะดึงจิตตกต่ำลงไปจนถึงตกนรกการขับมคำว่าตกนรกที่จริงก็เป็นภาษาที่เป็นสื่อใช้สมบ์ของที่เป็นวัตถุในจริงแล้วเป็นอาการตกของจิตซึ่จิตมันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆทาให้ภพภูมิของจิตก็ต่ำตามไป อันนี้ว่าเป็นอาบายคือหาความเจริญไม่ได้หรือมีความเจริญน้อยเพรา ะ, ะเมื่อมองเห็นโทษแล้วก็ทรงสอนให้เพียนพยายามลดละโดยการดลละในลักษณะขัดเกลาไปเรื่อยให้มองเห็นว่ากิเลสมันลดลงไปก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วในในส่วนที่เป็นกุศลธรรมความดีทั้งหลาย โค้งสอนในตรวจสอบ พ, พินิจพิจารณาเช่นเดียวกันมีมากมีน้อยก็พยายามรักษาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นจึ่งก็เป็นโครงสร้างหลักในส ม, มาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบในองค์มรติที่ทรงสอนไว้สี่วิธีส่วนความไม่ดีที่ยังไม่เกิดก็พยายามป้องกันไว้ที่เกิดแล้วก็พยายามลดละ ความดีที่ยังไม่เกิดก็พยายามสร้างขึ้นที่มีอยู่แล้วก็พยายามรักษาแล้วก็พัฒนาต่อไปจนกว่าจิตใจจะหมดบาปซึ่งหมายความว่าต้องผ่านสังสารวัตรเป็นยาวนานโดยการเพิ่มขึ้นของบา ร, รมีโดยการลดลงไปของอาสวะจนกลายเป็นคนมีบา ร, รมีเต็ม เมื่อศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็บรรลุมรผลได้จิตใจของท่านเหล่านั้นก็จะหลุดพ้นจากอสศวะทั้งหลายจุดนั้นจึงกลายเป็นจุดที่เป็นอุดมการณ์เป็นเป้าหมายในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาจึงทรงสอนให้ตรวจสอบมาตั้งแต่ต้นๆทรงใช้คำว่าพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตน คือชี้ผิดชี้ถูกตนด้วยตัวคนตนเองพระเจ้าเองก็เป็นเพียงผู้ชี้บอกให้เท่านั้นพระเจ้าไม่สามารถดลบันดาลหรือประชิ์ประสาทในลักษณะเสกเปล่าอะไรให้เป็นกายสิทธิ์ขึ้นมาได้แต่ทรงชี้บอกทางที่ควรเว้นและทางที่ควรประพฤติให้เท่านั้นเองส่วนการศึกษาการพินิจพิจารณาและการน้อมนํามาปฏิบัติ ตามหลักธรรมคุณข้อที่ว่าโอปนายิโกเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเหล่านั้นที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติผงการตรวจสอบมองเห็นโทษที่เป็นการล่วงเกินต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าเราเห็นว่าในการมองเหล่านี้ก็อยู่ที่ความระเมียดละใหม่ขนาดไหนบางครั้งถ้าเป็นการล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่เราก็มองเห็นได้ง่ายนั่นประวัติความอำนาจอิทธิพลของท่านบางทีก็ไม่ล่วงเกินอะไรมากกา็อาจจะขอขอมาโทษแต่การตรวจสอบนั้นจะต้องดูโทษที่ล่วงเกินต่อผู้ที่เหนือตนผู้เสมอตนและผู้ที่ต่ำกว่าตนให้เห็นด้วยเพราะกิเลสก็คือกิเลส ที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วแสดงความไม่เหมาะไม่ควรออกไปไม่ว่าจะแก่ผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่เหนือตนหรือผู้สเสบอตนหรือผู้ที่ต่ำกว่าตนก็เป็นบาปเป็นอกุศลเช่นเดียวกันน้นการตรวจสอบในลักษณะนี้จะต้องทำด้วยใจที่มีเหตุมีผลมีปัญญาที่เห็นไปจากจนสามารถขจัดความหลงตัวเอง ความเห็นเกตตัวความเข้าข้างตัวเองออกไปได้เพราะตามปกติพื้นฐานของมนุษย์เรานั้นมองเห็นโทษของคนอื่นได้ง่ายแต่ว่าโทษของตนแล้วจะเห็นได้ยากแต่การตรวจสอบแนวนี้เป็นการตรวจสอบให้มองเห็นโทษของตัวเองโดยไม่ใส่ใจโทษของบุคคลอื่นโทษของบุคคลอื่นเป็นเรื่องของบุคคลอื่นเป็นกระบวนการของกรรม กรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปแต่การล่วงเกินต่อบุคคลอื่นนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลมีผลเป็นความทุกข์แก่เราล้วเกิดสำนึกแล้วก็มีการขอขามาโทษล่วงเกินเหล่านั้นตับุคคลอื่นเป็นการขอขามาแล้วตั้งใจสำรวมระวังจริงๆไม่ใช่เป็นการกระทำเพียงรูปแบบ เป็นประเพณีที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาแต่ภายในใจิตใจนั้นจะต้องเกิดสำนึกจริงๆและตั้งใจสำรวมระวังแม้เกิดขึ้นอีกแม้จะเกิดขึ้นอีกด้วยความประมาทพลาดพรั้งด้วยความเผลเรือก็พร้อมที่จะขอขมาต่ตอไปพระเจ้าทรงสแสดงเป็นคณะผู้กลุ่มบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะมีธรรมะกับไม่มีธรรมะไว้เฉพาะในกรณีนี้สองกลุ่ม กลุ่มแรกก็คือคนที่ร่วงเกินคนอื่นแล้วไม่สํานึกว่าเป็นการร่วงเกินแล้วไม่ยอมขอขอมาลาโทษกับคนอีกคนหนึ่งเมื่อเพื่อนสํานึกความผิดพลาดผกร่องแล้วขอขอมาลาโทษแต่ไม่ยอมให้อภยัยทรงแสดงว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้เป็นคนผ่านเป็นการเก็บความโกรธเอาไว้ความพยาคาดพยาบาทเอาไว้ การจองล้างจองผลานความเป็นเวรเป็นภัยเอาไว้เป็นสนิมใจตัวเองกิเลสประเภทอาคาตปยาบัตินั้นทรงเรียงไว้ทุกระดับตั้งดับที่เรียกว่าเป็นอุปกิเลสระดับที่เป็นอคติระดับที่เป็นมลชินระดับที่เป็นนิวรนระดับที่เป็นสังโยชน์หรือว่าเป็นอนุใสหรือเป็นอาสวะ เป็นกิเลสที่รุนแรงมีการแผดเผาก็ให้เกิดความเร่าร้อนประคับใจใสายไปเพื่อความพิบัติเดือดร้อนแก่คนอื่นซึ่งตนมองเห็นว่าเป็นศัตรูที่เรียกว่าอาคาตวัตถุคือวัตถุอันเป็นตีตั้งแห่งความอาคาตพยาบาทอาจจะมีการกำหนดหมายว่าโดยประรดการที่เป็นนดิตการกระทำที่เป็นอดิตว่า คนนั้นได้เคยทำอันตรายต่อเราคนนั้นได้ทำ อ, อันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนั้นได้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วก็ผูกใจเจ็บต้องการจะทาลายล้างต้องการจะแก้แค้นต้องการจะตัดรอนการกระทำความดีของบุคคลคนนั้นเราเห็นว่าเป็นความคิดที่ขาดเหตุผลมีโทสะมีโมหะเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจแม้การกระทำความดีก็ถูกปฏิเสธ เพียงเพราะเขาไปทําความดีกับคนที่เราไม่ชอบเท่านั้นแสดงว่าไม่มองความดีว่าเป็นความดีหรือความชั่วเป็นความชั่วคนที่ถูกความอาคติพยาบาทเพราะดนจิตใจทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจะต้องถูกโรคภัยไข้เจ็บเราะนั้นเสียดแทงประสบทุกเวทนาด้วยตัวของตัวเอง แม้จะญาติพี่น้องใกล้ชิดสนิทสลบอย่างไงก็ไม่สามารถจะแบ่งเบาความเจ็บปวดต่อ น, นั้นให้แก่กันและกันได้เป็นความทุกข์ทรมานที่เขาจะต้องรับไปตัวงเขาเองเพราะยังทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วพยามที่จะขอขามาโทษคนที่ผูกใจเจ็บเพราะถูกล่วงเกินก็ต้องมองเห็นว่าเขาเกิดสานึก เ้าพร้อมที่จะให้อภัยไม่่อจะเป็นรุนแรงอย่างไงก็ตามก็เป็นเรื่องกรรมของบุคคลนั้นแต่การที่เราไปผูกใจเจ็บเพราะเขาล่วงเกิดเราแสดงว่าเป็นการหาทุกข์โทษมาใส่ตัวเองถ้าเปรียบเหมือนเขากำลังเป็นโรคอยู่เราก็เอาเชื้อโรคเลรานั้นมาใส่ในตัวเราเพื่อเราเป็นโรคแล้วก็ส่งความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับเขา ปณิทผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วจะต้องให้อภัยแต่คนที่หลาดยิ่งไปกว่านั้นตันอุปมาเหมือนกการที่ใครจะคว่างสิ่งสุปรก ป, ปฏิกูลไปใส่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ทำให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นแดเปื้อนหรือคว่างไปไม่ถึง คนที่มีจิตใจมีธรรมะเป็นฐานอยู่ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแม้จะมีการร่วงเกินก็าร้าวจากใครก็ตามก็จะไม่ไปแสดงความยินร้ายกับการกระทำของบุคคล น, นั้นไม่ถือสาความใช่บ้างกล้านอดทนเอ บ, บ้างให้อภยัยใช่บ้างใช้เมตตากุณาเป็นฐานข้าใจไว้บ้างเราอาจจะช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าก็ช่วยตัวเองไม่ให้เพิ่มบาปขึ้นมาได้ แต่หลักการขอขามาและการอาภัยนั้นเป็นการลดบาปโดยกานทั้งสองฝ่ายเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อกันซึ่งสอดรับกับพระปฏจจิมพุโต ว, าวา่าธิว่าความเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์บุนคคลอื่นในสมบูรณ์โวยความไม่ประมาททั้งเดงประการต่อไปคือเรื่องการอธิษฐานใจ ก็จะอยู่จำบรรษาในวัดนั้นในอารามนั้นตลอดสามเดือนธรรมะคืออธิษฐานบางครั้งเราเรียกว่าสัตยาธิษฐานหรือสัจยาธิษฐานเป็นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในพวกบา ร, รมีธรรมเราเห็นว่าอธิษฐานเองก็เป็นบา ร, รมีตัวสัจจะเองก็เป็นบา ร, รมีขันติเองก็เป็นบา ร, รมีวิริยะคือความเพียรก็เป็นบา ร, รมี ในการอธิษฐานว่าทําอะไรเนี่ยจะต้องมีธรรมะเข้าประกอบกั น, นหลายๆข้อชั้นแรกจะต้องมีปัญญาพินิจพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษซึ่งจะเกิดขึ้นจากการอธิษฐานด้วการไม่อธิษฐานจะในกรณีนี้ก็มองเห็นคุณที่เกิดขึ้นจากการอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ที่จะทําให้ได้ในเรื่องที่ตนอธิษฐาน พระบุมีร า, าพัเจ้าของเราตอนเสด็จออกผนวดกับก่อนที่จะศัตรูนั้นทรงตั้งรูปของสัตยาธิฐานทั้งสองครั้ในครั้งแรกจะต้องต้องเสด็จออกผนวดให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอันต ร, รายอะไรก็ตามหรือใครจะขอร้องอ้อนวอนยังไงก็ตามจะไม่ยอมหันหลังกลับเข้าสู่กรุงกระบินรัพัตเป็นอันขาดแล้วทรงประสบความสําเร็จในจุดนี้ แต่หลังจากเที่ยวศึกษาแสวงหาทางเพื่อสั จ, ะจะรู้อยู่นั้นไม่ถึงก็ตั้งไปรูปสัตยาธิฐานแต่ทรงมุ่ง ม, มั่นที่จะศึกษาให้เต็มตามหลักสูตรที่เขามีกันอยู่ในที่นั้นแต่พอกำหนดแนวทางแน่นอนแล้วว่าจะสัรู้ด้วยการจเจริญน า, นาปานสติกมามฐานได้สมาธิได้บรรลุฌานยกกิจกึ้นสูรวิปัสสนาพิจ ณ, ณาขันห้า เป็นอารมณ์จนมองเห็นความจริงดำกฎของพระจัยลักษ์เห็นทางแนวนั้นแล้วก็กำหนดทิศทางที่จะเดินไปในตรงนี้ทรงตั้งเป็นรูปของจาตุรงกรมหาประธานเป็นรูปสัตยาธิฐานแบบยองตายโดยทรงนั่งคูบันหลังภายใต้ต้นประสีมหาโพหรือต้นอสัตตพฤกแล้ว สร้างสัตยาธิฐานเป็นจารตุรงกามาประธานคือความพยายามที่ประกอบในองค์สี่ว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท่งไปยังเหลือแต่หนังเอง็นกระดูกก็ตามหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นจากอัสนะนิ้หมายความอาการประทับนั่งในครั้งนั้นจะมีทางออกอยู่สองทางเท่านั้นเองทางใดทางหนึ่งเท่านั้นคือตรัสรู้หรือไม่งั้นก็ตาย แต่ในสุดพระองค์ก็ได้ตัดสรุปเวื้อทรงสั่งสอนธรรมะแก่พุทธบริษัทแต่บางจังหวะเมื่อเห็นว่าคนงอนแง่นคนแครนได้เกินขาดตัวสัตยาณิธานขาดขันติขาดสัจจะขาดอธิษฐานขาดความพยายามก็จะทรงสอนในรูปดังกล่าวโดยทรงเชื่อเห็นว่าพระองค์เองก็เคยทำมาแล้วและทาได้ผลมาแล้ว พันาวกบางคนที่มีปัญหาเยอะมากมากก็ควรจะเดินในแนวนั้นแต่การอธิษฐานใจในลักษณะนี้เพิ่งสังเกตว่าอธิษฐานใจเพื่องเพียงใจอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตลอดสามเดือนเท่า น, นั้นและต่อจากนั้นจะมีภารกิจต่างๆในช่วงเทศกาลข้าพัรษ า, าเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นเป็นนันมากซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่อยู่ในวัดนั้นก็ทาไม่ได้ ก็สอนในแนวที่เรียกว่าให้อธิษฐานเพื่อตั้งใจให้อยู่ในชิดนั้นแต่คำว่าอยู่นั้นเป็นการอยู่ของกายก็มีอยู่ของจิตก็มีแม้จะเป็นเรื่องของกายแต่จริงจิตก็ต้องอยู่จิตไม่ได้วิ่งพรานฟุง้งซ่านคิดเลืนลอยไปในทิศนั้นทิศนี้เพรการนิฐานในแนวนี้ พุทธศาสนากิชนตั้งแต่ยุคอดีตมก็ใช้เป็นแนวในการอธิษฐานใจเป็นรูปของตั้งสัตยา ธ, า, าธิษฐานคืออธิษฐานด้วยตัวเองเพื่อจะงดเว้นไม่ประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นบาปเป็นกุศลต่างๆบางคนอาจจ ะ, จะเจริญสมาธิตลอดใจมากคืออธิษฐานว่าในแต่ละวันนั้นจะต้องจเจริญสมาธิได้ กำหนดเป็นช่วงโมงบ้างเป็นนาทีบ้างก็แล้วแต่ใครจะกำนหนดเอาประคนอธิษฐานที่จะมีการไหว้พระสวดมนต์การรักษาศีลการศึกษาธรรมหรือว่าศีลจะไม่ได้ทุกข้อก็เอาเป็นข้อๆไปแต่สรุปว่าเป็นช่วงเทศกาลที่จะประพฤติปฏิบัติความดีจะต้องให้มั่นคงจริงๆคือรูปตังการอธิษฐาน มาให้ผิดสัตยาธิษฐานในตัวตั้งไว้เพราะรู้ว่าสัตยาธิษฐานที่จริงแล้วมป็นการหลอกตัวเองทาระเมิดคนเราตลอดตัวเองได้มันก็นับประสาอะไรกับคนอื่นที่จะหลอกไม่ได้เพรา ะ, ะฝึกไม่ให้หลอกตัวเองตั้งสัตยาธิษฐานว่ายังไงก็ไม่จำเป็นจะต้องมีใครรู้หรือต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครแต่พยายามยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามที่ตั้งสัตยาธิษฐานไว้ ซึงแน่นอนในตอน ต, นต้นๆก็คงต้องต่อสู้กับอํานาจของกิเลสอานาจของอารมณ์เพราะแนวกัณฑมานั้นเป็นแนวทวนกระแสกิเลสแต่เป็นการแสดงถึงความมีชีวิตเพราคนที่ไหลาตามกระแสกิเลสนั้นทรงใช้คำว่าแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วถ้าเรามองไปที่ แม่น้ำแล้วจะเห็นได้ชัดเจนปลาทั้งหลายนั้นจะว่ายทวนกระแสน้ำแม้ฝนต ก, ลกแม่น้ำตกปลาก็กระโดดขึ้นไปเป็นการแสดงถึงความมีชีวิตเพรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือคนใดที่เพียรพยายามจะประพฤติปฏิบัติธรรมะดยทวนกระแสกิเลสได้ สามารถต่อต้านต่อสู้กับกิเลสเอาประเภทที่แรงแรงจะมีปัญหาในระดับของทุจริตให้ส ง, งบจิตส ง, งบใจจากกำนาของกิเลสเหล่านั้นได้เป็นการแสดงถึงความมีชีวิตเพราะการปฏิบัติในลักษณะเช่นนั้นจะต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาท มีสติมีสัมปชัญญะที่จะควบคุมความคิดจิตใจตัวเองให้รักษาตัวตัวสัตยาธิษฐานในต น, นตั้งไว้ไม่ล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นใครเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเพราะเป็นเรื่องของสัตยาธิษฐานของเราเองแต่เป็นการดําเนินตนตามหลักพระพุทธวัตรชนะที่ทรงแสดงว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายแต่ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความตาย เพื่การใช้ชีวิตในรูปของการตั้งสัตยาธิษฐานเพื่อจะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มีความสงบประนีบขึ้นจึงเป็นหลักการสําคัญในการเพิ่มภูมบา ร, รมีธรรมในการลดละอสวกิเลสของบุคคลผู้ใส่ใจในธรรมผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายเป็นการปฏิบัติเพื่อเพิ่มความดีลดความชั่ว ขัดเกลาจิตใจกันตนเองให้กิเลสลดน้อยถอยลงไปเยือจางวัวปางลงไปความสงบความเยือเกเย็นก็จะปรากฏที่ใจเป็นรถแห่งธรรมะซึ่งให้อสาธะคือความชื่นชมยินดีปิติปราโมทและชนะรถทั้งปวงเพราะอานยประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าได้ต่อจานี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป